พระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธเรื่องวิมุตตไม่มีความต่างกันตามวันนะของผู้ปฏิบัติพระชาปสินที่โคสนได้ถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนะสี่อย่างเหล่านี้คือวันนะขสัตย์วันนะพราหมณ์วันนะแพทย์ และวันนสุรมีอยู่ถ้าชนในแต่ละวันนั้ น, นั้นประกอบด้วยองค์แห่งผู้ประกอบความเพียนเหล่านี้แล้วข้าแต่พระองผู้เจริญความผิดแผกแตกต่างกันแห่งชนทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงมีอยู่ในกรณีนี้หรือมหาราชาในกรณีนี้ถ้ า, าคา กล่าวแต่ความแตกต่างกันแห่งความเพียนของชนเหล่านั้นเปรียบเหมือนคู่แห่งช้างที่ควรฝึกคู่แห่งม้าที่ควรฝึกหรือคู่แห่งโคที่ควรฝึกกดีที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วและคู่แห่งช้างที่ควรฝึกคู่แห่งม้าที่ควรฝึก และคู่แห่งโคที่คุณฝึกก็ดีที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำก็มีอยู่มาหาภพิษจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคู่แห่งสัตว์ที่ฝึกดีนั้นแล้วจะพึงถึงกิจิยาแห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วพึงบรรลุถึงซึ่งภูมิแห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าา มาบพิส่วนคู่แห่งสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่ถูกฝึกไม่ถูกแนะนําสัตว์เหล่านั้นจะพึงถึงซึ่งกิริยาอาการแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุถึงซึ่งภูมิแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วเช่นเดียวกันกับคู่แห่งสัตว์ที่ฝึกดีแนะนําดีแล้วเหล่าโ น, นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ประชจ้า มาราชาลอันใดที่ผู้มีศรัทธามีอาภาน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมานยาเป็นคนปราโรคความเพียรมีปัญญาจะพึงบรรลุได้นั้นผู้ที่ไม่มีศรัทธามีอาภาษมากเป็นคนโอ้อวดมีมารยาขี้เกียจไร้ปัญญาจะบรรลุผลอย่างเดียวกันนั้นได้หนอ ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ก็ฉันใดฉันนั้นขาแต่พระองผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างมีเหตุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส อ, อย่างมีผลข้าแต่พระองผู้เจริญวันณะ้สี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีอยู่ถ้าชนในแต่ละอะเหล่านั้น ประกอบด้วยองค์แห่งผู้มีความเพียร5เหล่านี้แล้วและเป็นผู้มีความเพียรโดยชอบจะยังมีความผิดแผลกแตกต่างกันแห่งชนเหล่านั้นในกรณีนี้อยู่อีกหรือมหาราชะในกรณีนี้ททาัณฐไม่กล่าวความแตกต่างไรๆในระหว่างชนเหล่านั้นเลย ในเมื่อกล่าวเปรียบเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตต์เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาดุนไม้สาระแห้งมาแล้วทําไฟให้เกิดขึ้นทําความร้อนให้ปรากฏขึ้นส่วนบุคคลอีกคนหนึ่งถือเอาดุนไม้มะม่วงแห้งมาแล้วทําไฟให้เกิดขึ้นทําความร้อนให้เกิดขึ้น ส่วนบรุษอีกคนหนึ่งถือเอาดุ่นไม้เมาเดือมาแล้วทำไฟให้เกิดขึ้นทำความร้อนให้เกิดขึ้นมหมาปะพิษจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรความแตกต่างใดๆของไฟเหล่านั้นที่เกิดจากไม้ต่างๆกันจะพึงมีแหลหรือเมื่อเปรียบเทียบกันด้วยเปลวกับเปลวสีด้วยสี และแสงกับแสงข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข่ามหาราชะข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเดชแห่งธรรมอันความเพียร น, นี้มิขึ้นอันประธานคือความเพียรทําให้เกิดขึ้นใดๆมีอยู่แต่ฐานโกศไม่กล่าวความแตกต่างไรๆในเดชแห่งธรรมนั้นเมื่อกล่าวเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตต์ ดังนี้เรื่องเหตุที่สาวกบางคนไม่ได้บรรลุในที่นั้ น, นกณกะโมกัลนะรามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆองค์ได้บรรลุนิพพาน อันเป็นผลสาเร็จถึงที่สุดยิ่งหรือว่าบางองค์ไม่ได้บรรลุพรามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสาเร็จถึงที่สุดยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระคัทธันตพระกดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัย ที่นิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางเป็นเครื่องยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคดมผู้ชักชวนเพื่อการดําเนินไปก็ยังตั้งอยู่ทําไมน้อยพวกที่บรรลุบางพวกไม่ได้บรรลุพราหมเราจะย้อนถามท่านเนีเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในหนทาง ไปสู่เมืองราชครุไม่ใช่หรือมีบุรุษจะไปเมืองราชครุเข้ามาหาแล้วกล่าวกับท่านว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชครุขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชครุแก่ข้าพาเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุคคลนั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชครุไปได้ครู่หนึ่งจะพบบ้านชื่อนอน และจะเห็นนิคมชื่อนนจะเห็นสวนและป่าน่าสนุกจะเห็นภูมิภาคอันน่าสนุกสะโบกรณีอันน่าสนุกของเมืองราชคกุร์ังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้แล้วก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งอันท่านพร่ำบอก พร่ำชี้อย่างเดียวกันไปถึงเมืองราชคฤุได้โดยสวัสดีพรามอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่เมืองราชคฤุก็ยังตั้งอยู่หนทางสำหรับไปเมืองราชกฤก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบรุษผู้หนึ่งกลับหลังผิดทางส่วนบรุษอีกคนหนึ่ง ไปถึงเมืองราชฤกษ์ได้โดยสวัสดีท่านพระกรมผู้เริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้เล่าพระข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้บอกต่างเท่านั้นพราหมณ์ฉันใดก็ฉันนั้นแหละที่ปณิพาน์าก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเรื่องถึงปณิพาน์าก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนเพื่อการดําเนินไปก็ยังตั้งอยู่ แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่มสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสําเร็จถึงที่สุดยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพรามในเรื่องนี้เราจะทําอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่ผู้บอกทางเท่านั้นเรื่องวันพืชอย่างไร ให้ผลอย่างนั้นพิษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณามิจฉาวิมุตติเสียแล้ว การกระทําทางกายการกระทําวะทางวาจาและการกระทํำทางใจที่เขากระทําเต็มที่ตามทิฏฐินั้นใดๆก็ดีเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีปณิธานก็ดีสังขารคือการปรุงแต่งใดๆก็ดีทำเหล่านั้นทั้งหมดของบุคคล น, นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสุข อันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลข้อนั้นเปรย์ไปเล่าเรยเว่าทิฐินั้นเป็นทิฐิที่ชั่วเปรียบเหมือนพันไม้เสดาพันไม้บวบขมพันไม้น้ำเต้าขมที่เขาปลูกลงไปในดินที่เปียกพืดนั้น จับเอารถแห่งดินและรถแห่งน้ําใดๆรถแห่งดินและรถแห่งน้ําทั้งหมดนั้นย่อมเป็นปายเพื่อความเป็นของขมของเผ็ดร้อนของไม่อร่อยก้อนนั้นเรื่อยๆเล่าเพราะเหตุว่าพืชนั้นเป็นพืชที่ชั่วพิสุทิ์สงหลายส่วนเธอผู้ใดเมื่อมีสัมมาธิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะสัมมาวายามะสมาสติสมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติแล้วการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาและการกระทำของใจที่เขากระทำเต็มที่ตามทิฏฐินั้นใดๆก็ดี เจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีสังขารใดๆก็ดีทำเหล่านั้นทั้งหมดของบุคคล น, นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสุขอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นประโยชน์เกื้อกูลข้อนั้นพระรเอรเล่าพราะเหว่าทิฏฐินั้นเป็นทิฏฐิที่ดี เปรียบเหมือนพืชพันไ อ, อ้พืชพันข้าวสาลีพืชพันอง้งหุ่นที่เขาปลูกลงไปในดินที่เปียกพืชนั้นเข้าไปจับเอารสแห่งดินและรสแห่งน้ําใดๆรสแห่งดินและรสแห่งน้ําทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นรสที่น่ายินดีน่าอร่อยรสหวานชุ่มฉ่า ขอนั้นเรบหรไยเล่าเปรีว่าพืชพันธุ์นั้นเป็นพืชพันธุ์ที่เรื่องทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็นทนั้นพี่ษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอได้คว้าชินไม้ หรือกระเบื้องกลืนเข้าไปพี่เลี้ยงเห็นแล้วก็พยายามหาวิธีเอาออกให้โดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็จะประคองศรีรษะเด็กด้วยมือซ้ายงอ น, นิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแม้ว่าจะถึงโลหิตออกก็ต้องทำา้อนี้เบรุไปเล่า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 ไม่จำจี้ช่ำชัยได้เด็กนั้นเกินไปด้วยคิดว่าบัดนี้เด็กนี้คุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะไร้เดียงสาอีกแล้วดังนี้ข้อนี้ฉันใด้ก็ฉันนั้นตราบใดที่เธอยังไม่ได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตปัปัก ด้วยวิริยะและด้วยปัญญาตราบนั้นเรายังจะต้องตามคุ้มครองเธอผู้นั้นแต่ว่าเมื่อใดที่เธอผนั้นทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาสำเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในเธอผู้นั้น โดยคิดว่าแบบนี้เธอผู้นี้คุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะประพฤติละลวมอีกต่อไปแล้วดังนี้เรื่องวิธีการบ่มวิมุตให้ถึงที่สุดได้ตรัสกับเมทียะอย่างนี้ว่าเมเียะ ทำทั้งหลาย5ประการต่อไปนี้เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบ5ประการอย่างไรเล่าคือโดยในกรณีนี้เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี่เป็นทำข้อที่หนึ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบ ของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบเมธียะข้ออื่นยังมีอีกคือเท่านั้นเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโกจรมีปกติเห็นเป็นภายในโทษทั้งหลายแม้ที่มีประมาณน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอยู่ นี่เป็นทำข้อที่สองที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตบิมุตที่ยังไม่สุขรอบเมธียะข้ออื่นยังมีอีกคือเธอเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาอันเป็นเรื่องขัดเก่ากิเลสอย่างยิ่ง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 เรื่อให้เกิดวิมุตติยานะทัศนะเมติยะน่เป็นธรรมข้อที่สามที่เป็นไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบเมติยะข้ออื่นยังมีอีกคือเทนั้นเป็นผู้มีความเพียรอันปรารอบแล้วเพื่อละ อา ก, กุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี่เป็นธรรมข้อที่สที่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมธียะ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 ที่ยังไม่สุกรอบเมื่อเธอเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เธอพึงวางได้คือจะเป็นผู้มีศีลจะเป็นผู้ได้โดยง่ายซึ่งธรรมกะถาจะเป็นผู้ปรารพความเพียรจะเป็นผู้มีปัญญามเมธียาเมื่อเธอนั้น ตั้งอยู่ในธรรมห้าประการเหล่านี้แล้วพึงเจริญธรรมทั้งสี่ให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อเจริญอสุภะเพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเจริญอาณาปานสติเพื่อตัดเสียซึ่งเหตุแห่งวิตกเจริญอันนี้จะสัญญาเพื่อถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตน กล่าวคือเมื่อเจริญอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาย่อมมั่นคงผู้มีอนัตตสัญญาย่อมถึงซึ่งการถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตนคือนิพพานในท่จะธรรมนั่นเทียวเรื่องจงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ พ่สทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครหรือใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมานก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะ ตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐสประการนั้นคืออะไรเล่าคือความจริงประเสริฐเรื่องทุกความจริงประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุก์ความจริงอประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกและความจริงประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบความเพียรอันเป็นเรื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรื่องการดารงชีพชอบกินความไปถึง ความสันโดษมหาราชาภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้สันโดษคือยินดีตามที่มีอยู่ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินธบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอผู้นี้จะหลีกไปโดยทิศภาคใดย่อมถือเอาจีวรและบาทนั้นหลีกไปได้ โดยที่นั้ น, น, นเปรียบเหมือนนกที่มีปีกจะบินไปที่ใดๆมีปีกอย่างเดียวเป็นภาระบินไปได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวรเป็นเรื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเรื่องบริหารท้องถือเอาแล้ว ลีไปโดยทิศใดๆก็ได้อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ที่สันโดษฟังธรรมกรรมพุทธะ